ดังจากการทําวัดเหยียมโน่นนี่ก็มาอบรมเตินเรื่องสูตรสําเร็จคําว่าสูตรสําเร็จนี่มันสําเร็จมาในมทุกคนมันแสดงตัวมันเป็นของบ ร, ริสุทธิ์จริงๆเขาเรียกสูตรสําเร็จและบัด น, นี้เขาไปแปลดังสื่อพูดอยู่นอกโต้เขาพูนส่วนสําเร็จสูตรของมันก็เลยบม่ได้ผลผมว่าให้ฟังมื่อเสาร์นี่ก็คือกันว่าเม็ด เพชรทุกเม็ดมันเป็นของดีมีราคามีค่ามากถ้าหักเขาเอา อ, าอาจกจากตมจากเลนได้มาคำทุกเม็ดเม็ดขับนี่ก็ได้เป็นของดีของงามของบริสุทธิ์มีคา่ามีราคามากถ้าหักเขาเจอแลนไหนออกจากตมจากเลนมาได้คันท้าอยู่ในตมในเลนใน และอมอยู่กับบอดายมีราคาอันนั้นว่าสูตรบทสำเร็จนนสูตรสำเร็จหมายถึงเอาปฏิบัติเอาเพชรหรือเอาทองคำจมอยู่ในตม น, นออกมาแสดงมันจะแสดงตัวมันเองเพราะมันสำเร็จแล้วเด็กที่ว่าตมกับน้า ม, มันต้องใช้ไม่เดียวกัน อันตมโคนนั่งกับบุษมินเพชรไม่หิ้งไม่ยัง้งอันตมโคนนั่งกับบุษมินทองคำไม่ยัง้งแน่เอาเอาไปยังสิจะว่าสูตรสําเร็จตอนเศร้านี่กับว่าให้ฟังรู้ไปถึงขั้นเป็นตอนไปโดยที่ไม่ปะปนใครทั้งหมดเลยสูตรสูตรนี้เมื่อพ้ปฏิบัติตอนเย็นท่านผมรู้จักว่าผมเป็นพระได้ ตอนเย็นนู่นแรงผมมาเดินจมกรมกลับไปกลับมาหยุดเมื่อยแล้วผมกลับมานอนตื่นเศร้ามาผมกลับมาลางหน้าแปลงฟันธรรมดาคือเอาเทปสู้มือเนี่ยมานั่งสร้างจังหวะเดินจมกรมกลับไปกลับมามีตัวขี้เขียบตัวหนึ่งแล่นออกมาใส่หน้าบมไม่แล่นใส่หน้าผ ม, มแล่นไปใส่หวงทางผมผมเคยบนนี้เคยเดอกขี้เข็ยบกัดเหนึ่งเจ็บ ผมเลยเอาเทียนไขใต้ตามไปแล้วบ่อยเห็นอะไรผมเอาเทียนไขกลับคืนมาใต้แบบของเกา่าเดินกลับไปกลับมาสูตรมันเกิดขึ้นมาว่ากิเลสอย่างหากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดอะไรสักอันนี้บ่งบอกว่าอาธิสินสิกขาอาธิจิตตะสิกขาอาธิปัญญาสิกข า, า, ก า, า, า, กาบ๊ได้ว่าอย่างตัน สิ่งเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างงาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดโอ้เมื่อขลงังอันโทสะโมหะโลภะจางคายไปกิเลสอย่งงางยาบโอกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่จางคายไปกิเลสอย่างงาบสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ย เรียกว่าสินขันสมาธิขันปัญญาขันเรียกว่าขันสามอันผมเหลือข้อจังหนึงปากก็เป็นขันหนึ่งสองกายก็เป็นขันหนึ่งสามใจก็เป็นขันหนึ่งคือว่าสินขันสมมาธิขันปัญญาขันขันมีสินขันเรียว่าขันสามอันผมแม่งขันสองขันหนึ่งขันสี่ขันห้าขันขันห้านั่นก็ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันอันขันที่นักเวทนาสัญญาสังขารขันวิญญาณขันอันขันสามนีนน้สิญญ้สขนขนันสมาธิขันปัญญาขันรูป ก, ก็มีสิน้นคำพูดก็มีสิน้นใจก็มีศิ้อันนี้เป็นสูตรสำเร็จขึ้นมาก็เลยรู้จักสมถะกรรมาฐานกับวิปัสสนากรรมฐานกับที่ตรงนี้ สมถะกรรมาฐานนั้นรู้แบบอย่างผู้ไม่รู้หรือปสัสนานี่รู้อย่างแบบผู้รู้มันจึงเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปอย่างฉั้นสมถะกรรมาฐานนั้นเป็นว่านั่งภาวนาที่ภาวนาพุทโธธรรมโมอรหังของนุปนับหนึ่งสองสามก็ตามให้จิตใจสงบแล้วยกเอาขันห้าขึ้นมาพิจารณาไตรัก โบู้จักเขาไต่หลักตามเป็นน้ำตแล้วก็เป็นวิปัสนาได้โบแมนอั น, น, นมันนึกมันคิดเอาเองมันเข้าไปในความคิดดังนั้นจึงว่าเอาความคิดลากเอาตัวสติโตสมาธิโตปัญญาอันนี้ออกไปเขาก็เลยโบได้มาู้จักตัวเขาบัด น, นี้เขามาทําการเคลื่อนไหวโบต้องหลับตา พอดีมันคิดรู้จักเห็นรู้เข้าใจเอาอยู่แค่นี้แหละอันนี้ควมสงบแบบมันมาตนเก่าก็ได้ควมสงบแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะหยุดการศึกษาการเล่าเรียนการหาครูหาอาจารย์ได้ควมสงบแบบนี้พีเติมอันสงบแบบเบาลูนั่นแทบนั่งสงบ บ้าแต่เขาสังคมเขาแล้วกับขันเววมูอโบเสื้อฟันระเกิดโก๊เกียด์บ่พอใจคนมันแบนนบมีสงบเขาเอินว่าหินศิลาทับง้าสมาธากรรมทานจึงปิดอุบายให้สงบจิตคือเอาหินไปทับง้าไวนี้มันี่ามันนี่หินทับง้ามันเย็นบนเอาหินออกเลยง้ามันงอขึ้นมางามกาเดินเน็่ อันนั้นบนไม่ควรมสงบในหลักพระพุทธศาสนาควรมสงบของศาสนาพราหมณ์ในหัวใจของั่นของโอ้นี่นี่สูตรนี่มันเป็นอย่างนี้บัดนี้มาทําควรมรู้สิตัวบนี้มันคิดเห็นรู้เข้าใจนี่ตัวนี้เป็นตัวสติเป็นตัวสมาธิตัวปัญญาเขาเอื้นผมรู้สึกตัว เขารู้สึกตัวแล้วตัวควมคิดมันบทูกปุงแตงไปได้ถ้าห้างเขาบ่อยเห็นความคิดมันจะปุงจะแตงเขาไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้เป็นติสูตรไปยัปงซี่ที่ว่าเรียนรัดเรียนรัดหลักพระพุทธศาสนาโดยตรงอันนี้บม่เรียนจังส่้นจังซี่จืดมีวิธีการมีเทคนิคมีคกลไกการกระทำฮ็ดจังหวะ จังหวะนั่นก็หักักฝึกหัดกันแล้วเดินจมกรมการสร้างจังหวะเดินจมกรมของผู้จักการหู้จักเวลาตอนเศร้าผมบอกอยู่ตีสารสารสติดตีซี่เนี่ยเอาลุกออกมาเดินจมกรมให้คนเห็นคันคนขี้ค้านมันกระโเห็นแล้วปฏิบัติธรรมะมันกระโบก้าวหนะ้า ตามหนังสือเพจนวกุปปาธรรมโมอาคุปะาธรรมโมสิปาริหานะธรรมโมสิคันคนขี้คานรู้น้อยน้อยแล้วก็มันจีบหายจีบหายแลไปพจนว่ามันบบก้าวหน้าคนใดตั้งใจปฏิบัติอย่างวานพิพจนว่าอนุลักษณะพภูอย่าง น, อ น, น้อยเจตนาพโูตั้งใจประพฤติปฏิบัติรู้จักการรู้จักเวลามันก็ก้าวหน้าพจนว่าอย่างนั้น ผมอ่านหนังสืออทีรร่ทำเพื่นแต่ไว้อย่างสันจัว่าะให้รู้จกักการเวลาลักการลักนานจะเป็นคนเห็นแก้หลับแก้นอนแก้พูดแก้คุยมันโบดีปีนี้เขาฝึกกันเพื่อจะพิดให้เป็นครูของคนว่าแล้วก็เสื้อฟังกันต้องทำตาม เจ้าเดินจมกมค่อย็เดินจมกลมเจ้านั่งสร้างจังหวะค่อยๆนั่งสร้างจังหวะเห็นกันมีความละอายในใจถ้าเราบทธร ม, มนันละอายคนผู้บูธำม อ, อย่าเอาความซั่วมาแสดงเอาความดีมาแสดงต่อกันให้มันเห็นเป็นคูของกันและกันให้เป็นครูของกันและกันนี่หมายถึงจะไดเจ้าเห็นก็เป็นครูค่อย ค่อยเหตุกับเป็นครู้เจ้าเจ้าตื่นก่อนค่อยค่อยตื่นคอนเจ้าบบแม่นสชว่าหอยอยามตื่นโดยโบตื่นห้อยอยามเฮ็ดแล้วโบให้เขาบอกคนขี้ขานคนเรายากสันดานของสัตว์ไม่ใชสันดานของค น, นมันแก้ไขโบตกมันต้องแก้ไขตัวเองที่หลวงพู่ว่าให้เนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะเมื่อแรงมาเราก็เดินจมก้มจะมานั่งเว้านั่งคุยกัน เจ้าก LE ็เดินค่อยก็เด so to ินเจ้าก็เห็นค่อยเดินค่อยก็เห็นเจ้าเดินนี่ค่อยก็เห็นเจ้านั่งสร้างจังหวะเจ้าก็เห็นค่อยนั่งสร้างจังหวะมันมีความละอายในใจเพป่นวันนี่มีความละอายเใจนี่เพป็นวันคนบันมีความละอายแก้ใจมันก็เอื้อนสันดานของสัตว์สันดานของผีเขาว่ากันนี่มาผีตายจินหัวมันได้เป็นเวรยาเกวิตนี่ เขาโบามีตาที่เขาจีโบเห็นผีเด้ผีคือคนที้เกียจขี้คานคนทำซัวพูซัวว่าญากสอนยา ก, ยากเขาเอิ้นบักผีคือผีบบแมแค้งขาหน้าตามือเท่าเป็นผีใจมันเป็นผีต่อมาก็เออหน้าสันดานคือสัตว์เนาะเนีย่ยแต่ร่างกายแขงขาดหน้าตามือเท่าบเมสัตว์ใจมันเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะมันต้มีความละอายในใจให้เราเข้าใจที่ผมว่าเนี่ยมันไม่เป็นสูตรสําเร็จง่ายๆให้เราเห็นพระธรรมพระธรรมพระธรรมการพระธรรมงานพระพูดพระคิดทําให้เป็นพระธรรมทุกคนเป็นพระธรรมทุกคนเป็นผีอื ถ้าคนใดทําดีเขาเอื้นพระธรรมถ้าคนใดทำชั่วเขาเอื้นถีธรรมเบื้อเว้นพ้าธรรมนะ่ะเป็นสีเป็นแสงเติมลูกแก้วหรืเติมพระอันใดมาสวมเข้าตัวเห่าโบแมนนอันนะแสดงว่าเาาห่าโเหิตจิตโเหิตใจเหาคิดมันเป็นอยงตันสูตรอันนี้มั่วว่างแล้วเหานั้มาติดอยู่ระหว่างมีโบแมน ความสงบนั้นจึงมีสองอย่างสงบแบบสมถะกรรมฐานแบบหนึ่งสงบแบบวิปัสนาภาวนาแบบหนึ่งวิปัสนาไปว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้ตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมตั้งเก้าอันใดจะก้อนเคยนอนตุ้นสุดสัวยตื่นดึกในบัดเียจะก้อนเคยสูบบุหรี่เลิกได แต่ก้อนเคยเป็นคนพูดมากคุยมากเลิกได้แต่เฉพาะพูดแต่ควมจริงเท่านั้นมีคนต่างเขาล่วงภาวะเดิมล่วงจากควมเป็นปู่ทุศนขึ้นมาสู้ควมเป็นพระอริยบุคลคลเื่นล่วงจากภาวะเดิมผมถามแ้วควมเป็นคนเนี่ยผู้ใดให้ซื้อเสียงเรียงนามมาถามพับเจ้า ขาเจ้าก็เอินกันมาจยางนั้นเนี่ยแสดงว่าคนผู้นั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเล่าเป็นสื่อคำว่าความเป็นคนไม่หมายถึงเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาพูดมาคุยมาแนะนำคำสอนกันอั น, นันต์ือว่าเป็นคนความเป็นคนกับความเป็นผูทุศนเขาจะมาแยกกันไว้ แต่เน่ยพ่อบอกเนี่ยว่าปุถุชนกับงคนเป็นคนควางเป็นคนผู้มีปัญญาจังเป็นคนควางเป็นปุถุชนอาจจะเอิ้นคนผู้มีปัญญาอันปัญญาหาเงินหาทองหาพูดหาคุยเนะนี่ยบอนเนี่ยนี่ด้ปัญญาอันนี้ก็จากนั้นมาหลวงพ่อรู้จักอันนี้หลวงพ่อก็เลยรู้จักการทําบาปด้วยกาย เอาเจ้มือนี่เดีะยไปตีเขาทาจันทนาซีละไปถ้าหากนรกมีตายไปแล้วจีไปตกนรกุมใดนี่สูตรมันเป็นอย่างซี้สิสูตรสำเร็จบาดนี้กายบ่ทำมีแต่ปากวาซือซือกูอ ข, ขี้เกียจกู ข, ขี้นา ย, ยากูจยคฆ่าอยากเตแต่หกตักบเตบโบตีอย่างเอกยวๆวาซือๆืออันนี้คำพูดตัวๆ ถ้าหากเรา ล, ลม้มตายไปแล้วจิดไปตกนั้ลกขุมใดเนี่ยเข้าใจยังสิสูตรมันบัด น, นี้ปากกาาับเสบยววใจคิดซื้อใจคิดอิจฉาริษยาเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ซื้ อ, อถ้าหากเรา ล, ลม้มตายไปแล้วจิดไปตกนัลกขุมใดนานจากปีจากเดือนสามอันอ น, นี้เนี่ยสูตรของมันเข้าใจมาทั้งสิบัด น, นี้ กายกระทำคำพูดกรพูดใจกระคิดเป็นสามอันรวมกันถ้าหากนั้นลกมีแล้วตายไปจี่ไปตนนรกขุมใดนานจากปีจากเดือนสูรอันมันต้องรู้จักขังสันวิปัสสนาจงว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าลวงภาวะเดิมมันเป็นอย่างนั้นบัดนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากทำบุญ ทำแต่บุญใจบุญเขาจับบุญให้หรดไมีแต่ป้าธนาอ้ อ, อนวอนอะไซือปากเบาเบาใจาก็บ้ได้คิดเห็นเขาทำก็ทำไปสณะทาบุญถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตไปเคื่อยจิตสวรรค์สั่นใดนานจากปีจากเดือนเู้จักไปอยังสั่งสูตรบัด น, นี้กายบ่ทามีแต่ปากเบาวซื่ อ, อทาบุญอย่างนั้นทาบุญอย่างนี้ มีแต่ปากว่าถ้าหากสวรรค์นิพานมีจริงตายไปแล้วจิตไปเกิดสวรรค์นิพานสั้นใดนานจากปีจากเดือนสูตรของมันเป็นอย่างซี่บัดนี้กายกระบาดทำปากกระบาดใจคิดอยากทําเตยบุญใจคิดซื้อซื้อยังไม่ได้ทำบุญคือบัดนี้ถ้าหากสวรรค์มีตายไปแล้วจิตไปยุตสวรรค์ นานจากปีจากเดือนงูจักสั้นเห็นจังสั้นงูจักสั้นเข้าใจจังกันจยตวิสูตรสาเร็จมันสําเร็จมาในตัวมันเองอันนี้บัดนี้มือกระทาดีปากกรว่าดีใจก็คิดไต่ดีเมื่อทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบันี้รวมกันเข้าถ้าหากสวรรค์นิพพานมีแล้ว ตายไปได้จะไปเกิดสวรรค์นิพพานสั้นใดนานจากปีจากเดือนสูตรมนันต้องรู้จังซีเห็นจังตีเข้าใจจังซีเ่าพอปฏิบัติธรรมเ่าพอจิว่าสูตรสาเร็จมันสาเร็จรูปตัวของมันเองจึงว่ารู้จักความสงบเป็ น, อนพอดีมาเห็นอันนี้เลยคลายคลายคือ ม, มัน้าดออกจากกันก็ว่าได้ รู้จักขึ้นมาคลายๆคือว่าตำดีบ่มีน้ำเนี่ยแห้งเปี้ยออกมดมีตาบาทเหา่าแับนี้มีตาบาทเหา่าเลือดมันพุ่งออกจากปากบาทบบบนี้เมื่อไม่เห็นยังเสี้นเลือดมันกลับขึ้นมดทุกหยดเข้าสู่สภาพของมันร่างกายเหาเนี่ยเหมือนกับดักแด้ที่หอนเลี้ยงนอ น, น, นมันเข้าสู่ในป้อมันหดมด ทุกเส้นคนทีเดียวเข้าสู่สภาพของมันจ้จางไปเมด่หรือจีเปียบอย่างหนึ่งคลายๆคือว่าเขาติดไปฟานมอดปุ๊บกระไดหรือ ว, ว่าสฟฟ้าเฮานี้บทรนมาเถอะเปิดปุ๊บกระไดมันเป็นอัะสับก็เลยรู้จักความสงบอันโอความสงบหมายถึงศึกษาเล่าเรียนในเพศพมาจาันจบ พอมันคาดเอาจากกันประมาณหลวงพ่อกำลังยางอยู่อันนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคิรดดินคือจากเม็ดหนึ่งสองเม็ดุ่นเดียแต่บนแม่เคินดินเนี่ยพอยางอยู่กลางดินอันนี้แหละสูตรส네ําเร็จของมันต้องรู้มาอย่างสิ่พอดีรู้อันนี้แล้วหลวงพ่อเราโอ้การศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาของจริงรู้ของจริง เขาจีนได้เห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาที่ตรงนี้อืเป็นอย่างตัางการศึกษาเราเรียนกระจบที่ตรงนี้นยอย่างพอแต่ผู้อื่นจีไปจบทางใดหลวงพ่อบูหัวจักสูตรของมันเป็นอย่างซีถ้าหากว่าเป็นอย่งซีแบบนนี้บุญเป็นสู้ย่างที่ดงพ่อวานี่เลยย่างที่ดงพ่อวานี่เป็นสูตรสูตรหนึ่งต่างหากมดได้เป็นเรียนนักทำตีนักทำโทนักทำเอกกัน โมได้ไปเรียนมาห่มมหามียังไแต่มันสําเร็จรูปมันมาจากตัวมันเองาสาเร็จคําว่าสําเร็จเนี่ยครับพอเข้าใจว่าสําเร็จคือว่าสําเร็จเอาเอาเพชรออกจากตมจากเรเลนนั่นมาได้ซื้อเนื้อเอาเม็ดทองคําออกจากตมจากเลนมาได้ซื้อมันสําเร็จยกหมู่วหา้ตัวเองขึ้นมาได้อืมุมจักการจบเพชรพรมจันทร์มาจบที่ตรงนี้ เมื่อเรารู้จักเพศพุทธมาจันทรย์จบแล้วเขาจะบอกว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วหยาย่อมมีอยู่ทันครูบาอาจารย์สอนาศาสตร์สิ้นแล้วพบสิ้นแล้วพุทธมาจันทร์อยู่จบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาศึกษาอย่างย่อๆแจว่าใส่ได้ก้วงขวางดีเดี๋ยวนี้เราไปศึกษากับตำรับตําลามาก ก็เลยบ่ได้มีผู้ใดศึกษาสูตรสูตรเหล่านี้เรียนปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกมากะบ่ได้เข้าใจสูตรอย่างนี้ไปเข้าใจอย่างอื่นที่หลวงพ่อนำมาเราให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้เราทุกคนได้เตี้ยนแปลนิสัยเดินเดิมของพวกเราอา่าเป็นนิสัยเดิมญาติเป็นนิสัยของสัด ญาติเป็นนิสัยของคนผ่านหลวงพ่อเคยว่าให้ฟังหลวงพ่อเป็นโนมาสอนอยู่ที่บ้านฝึกหัดให้จังหวะลุกจังหวะนั่งเฮ็้จังหวะไหว้ตัวเองจังหวะกล้าบเป็นอะไรต่อมาคนลุกนั้นกับคุณขาเจ้าก็มีครอบครัว ศึกออกแต่กมีแต่บยได้มีคนสึกออกมีแต่พระหลวงตา<ม>แล้วเขเจ้ากะว้าวธรรมะอยู่ตรงนั้นออกจากหันหลงพ่อมาอยู่ป่าพุทธยาณมู่มหาโมทของงูนี่แหละมูไอเอ็นหลายคนมาอยู่หันคนทั้งอุบลคนมาเขาเจจกะมาปฏิบัติอยู่ในใี่ไสเวลานานและปฏิบัติธรรมะพวกเขาเจ้าสึกไปขจ้จกะย่าวธรรมะอยู่ ยังเฮ็ดกันอยู่คงที่คงเดิมเป็นอย่างนันนอกจากฮั่นหลวงพ่อออกไปตามอยู่ขนแกนอยู่กรุงเทพสอนกันมันเป็นพี่ถีเว้ามันก็เลยมีแต่เว้ากับเว้า